ท่านก็เขาสืนหลวงปารลบธรร ม, ม ก, กับผู้ปฏิบัติธรรมณสถานปฏิบัติธรรมเขาสืนหลวงราชภุรีเช้าวันที่สิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าล้อสิบแปดวันนี้ได้มีปารไปิรงธรร ม, ามาทานอุตสินซึ่งเป็นการตามรอยของรป้า นี่เป็นข้อสำคัญนะว่าการตามรอยพระอรหันต์นี่เราจะต้องมีข้อปฏิบัติที่รวบรัดที่สุดเพราะว่าเร า, เราจะเอาแต่เรื่องปล่อยวางเพราะว่าอันหาชีวิตเนี่ยมันอยู่ในความทุกข์รอบขับรอบด้านไปหมดนะ ทนี้เราจะต้องเดินตามรอยพระอาหันต์อย่างเดียวเดินตามอื่นไม่ได้เชิงขาดเถอะเพราะว่าเราจะได้มีการคิดเห็าดูทุกสิ่งทุกอย่างมันรว้แล้วไปโดยคามไม่เที่ยงนะความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ไม่มีตัวเราไม่มีเป็นของของเราดีจะต้องมีการอบรม จิตภาวนาอยู่ในเรื่องนี้เรื่องเดียวนะให้ไดาแล้วถ้าว่าเป็นการแอบพิจารณาอยู่ในเรื่องนี้ตลอดเวลาวันหนึ่งคือหนึ่งกระจังหรือว่าต่อไปกระดังขอให้พยาพยามพิจารณากันให้เป็นการรู้จริงเห็นแจ้งขึ้นมาในเรื่องนี้ให้ได้และไอ้ความ เรือดร้อนใจต่างๆนี่มันจะได้ดับแต่ละตัวไปเพราะไอ้ที่ยังมีความดื้อมั่นหรือมั่นจะให้เที่ยงสุดเป็นตัวเป็นตัวเนี่ยมันเป็นตัวการของความทุกข์อยู่ในความดื้อมั่นหรือมั่นเท่นั้นเดียวทีนี้ต้องมันพิ่เจนาอยู่อย่างนี้สามาระว้ยอย่าเอาเรื่องอื่นเลยเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องเดียวนี่ มันจะดับทุกได้จริงๆทุกขณะไปทั้งหมดอิยาตว่ามีการตามรู้ตามเห็นอยู่เรื่องนี้และจิตเนี่ยมันจะได้มืยึดมั่นหะึือมั่นนี่ฮะมันได้ประโยชน์อย่างยิ่งอยู่ในอีกในใจทั้งหมถ้าการพิจารณาอย่างนี้ตื้นตราวูได้ทุก อ, อิยาหมดแล้วนะจิตเนี้มันจะไม่รุ่นมันจะว่าง ว่ามันว่างไปจาก้เรื่องราวต่างๆเรื่องโลกภายนอกอะไรเหล่านี้ที่ยังโฉนอนวุ่วายกันอยู่นะอันนี้เราดับหมดเถอะปล่อยเถอะปล่อยว่ามันไม่มาเฉพาะหน้าอย่างไรก็อย่างนั้นเอาอย่างนั้นมันเป็นไปอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นไอ้จิตนี้่ะ ต้องให้อยู่เหนือเหนือสุขเหนือทุกข์อะไรเนื้ออะไรทั้งหมดให้ได้เือะไอ้กายเนี่ยมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะเป็นอะไรก็ก็สุดแท้ทถอะนะเพราะว่ามันห้ามไม่ได้ไอ้เรื่องทุกข์กายือทุกข์อะไรก็สุดแท้กันทีนี้ไอ้จิตเนี่ยในจิตเนี่ยมันหยุดได้มันสงบได้แม้ว่าจะต้อง มีความเจ็บปวดหรือว่ามันจะตายลงไปอ่ะเป็นเป็นว่าไอ้ความเจ็บปวดนี่จะต้องน้ําตาไหลนะแต่ว่าไอ้จิตเนี่ยให้มารู้จิตว่าน้ําตามันไหลไปจะภายนอกนะแต่ก็มันทนความเจ็บปวดของร่างกายไม่ได้ไอ้น้ําตาเนี่ยมันก็ไหลเองแล้วไม่ได้ไปร้องไห้ครับมันไหลก็มันเองก็แล้วกันและไอ้จิตเนี่ยต้องรู้จิต ลอยวางไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของดาวโยงนะเรื่องนี้องพิจารณากันให้รู้ให้เห็นจาก่อนเก็บก่อนตายนะด้วยว่าจะมีทุกข์กายนอกเข้ามาก็ดังแล้วไอ้ทุกข์กายทุกข์ใจอย่างนี้มันก็มีประจำอยู่แล้วทีนี้อยากให้มันไปรับเอามานะเป็นเป็นของเราเป็นทุกข์ของเราหรือว่าไอ้เรื่องอราวอะไรใายภิษฎาลพิที่มันจะเกิดขึ้น ตัวน ม, มุ่นวายไปทั้งโลกก็ตาแต่ว่าไอ้โลกภายในจิตเนี่ยมันว่างแล้อยาให้มันไปยึดมัน่นถือมั่นเข้ามาเป็นตัวดาของดาวหลือตัวขาวของขาวไอไลายทั้งหมดเดียวให้มันว่างจากความเป็นศักดิ์เป็นบุคคลไปให้ได้เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะด้องดับทุก โทษอะไรสาละพัดทั้งภายายทั้งภายนอกเอาให้ได้ก่อนเจะก่อนตายก่อนที่เหตุการณ์อะไรมันจะ ม, มาถึงนะรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้นะไอ้ยาอย่างนั้นะมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่าไปพึ่งสิ่งอื่นเลยเพราะว่าไหนไหมันเกิดมามันก็จะต้องแกต้องเจ็บต้องตายไปได้วยกันทั้งหมดทั้งโลกนี่แหละถึงว่าไอ้ใครมันไม่มาฆ่ามันก็ต้องเจ็บต้องตายเอง หรือว่าถ้ามันมาฆ่ามาควานอะไรมันก็ตายเร็วมันก็ดีนะแล้วเอาอย่างพระองค์หนึ่งที่ท่านบอกว่าถ้านไม่กลัวตายนะแล้วก็จะจะถูกฆ่าถูกแกงถูกทําอะไรก็แล้วแต่ก็ปล่อยวางการปล่ยวางเนี่ยมันทําให้คิดเนี่ย ไม่สะดุ้ไม่หวันไหวแล้วถ้าเราไปยึดมั่นถึงมั่นก็เป็นตัวเราของเราอะไรมากออกไปได้นะจิตเนี่ยจะไม่สงบเลยไอ้ดันหาเนี่ยมันจะเข้ามาปรุงใหญ่มันจะดิ้นลน่นมันจะแย่ขายอะไรสารพล้วพลางนะเนี่ยนี่เป็นเรื่องสําคัญของตัวเองด้วยกันทุกคนนะแทนที่จะต้องประจันหน้าอยู่กับไอ้ทุกข์โทษอะไรที่เกิดเกิดดับดับอยู่ประจำวันนี่ก็เหมือนกัน ต้องรู้เรื่องนี้เอาไว้อย่าเที่ไปชุนมนวุ่นวายจะเอาอารถอร่อยนักเลยนะเรื่องอเด็ณอร่อยไอท้ทางทวารเนี่ยตาหูจมูกเล่นกายอะไรอย่างนี้นะให้งดทั้งหมดนะอย่าได้มีการหลงสเสน่ห์ของมาร น, นะเราะว่าเวลานี้มันต้องเป็นเวลาที่เตรียมพร้อม ปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทแล้วอย่าไปนึกว่าอยู่สบายกินสบายนอนสบายเลยมันอยู่ในกองทุกอยู่ในกลุ่มก้อนของเบญจขันนี้ก็มากมายเหลือประมาณแล้วนะแล้วมันยังมีไอ้ทุกข์ข้างนอกอีกนะมันจะเข้ามาอีกนะแล้วถ้าว่าไอ้สตินี่มันไม่เตรียมพร้อมไปได้แล้วก็ มันจะเสียหลักถ้าว่าเสียหลักไปแล้ ว, ลวมันก็ล้มระลายหมดเลยนะระวังให้ดีนะเพราะว่ามันล้ม็นลายไอ้ความรู้จริงที่มันเคยรู้มันเนี่ยถ้าไมอบรมเอาไว้ให้ติดตัวแล้วนะมันจะไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะเกิดความโสกเศร้าวิบลิตผิดธรรมนอกรทางไปทั้งหมดครับ ต น, นี้เนี่ยขุดเอาไว้เดี๋ยวนี้ที่เดียวหลักของกติกเนี่ยจะต้องมีอยู่เป็นเครื่องเตือนตัวตัวเองอยู่ทุกอย่างจะ ต, ต้องปรจานหน้ากับทุกพิจารณาทุกปล่อยวางทุกให้มันเห็นเป็นทุกของธรรมชาติไม่ใช่เป็นทุกของเราเนี่ยต้องสนใจให้มากนะและ้วถึงจะมีธรร ม, มนะนี่แหละเป็นที่พึ่งได้ถ้าไปเอาไอ้ที่อื่นมาเป็นที่พึ่งแล้แล้วก็จะยิ่งแย่ จะยิ่งทุกมากจะยิ่งระบากมากทีเดียวพนไหนๆเกิดมาเนี่ยมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็จะมายึดถืออยู่ทาไมมันอะไรมันใช่ของเราบ้างข้างนอกมันก็บอกยู่แล้วว่ามันเป็นเครื่องาาอาศัยท้ไอ้ร่างกายทั้งหมดนี้มันก็เป็นเครื่องอาชัยก็ไม่ใช่ตัวเราของเราวที่มันแช้ถาวน์เลย จงพิจารณาเนี่ยนะไอ้รูปนามขันห้าเนี่ยมันเป็นเรื่ออาศัยเท่านั้นอย่าไปยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราเลยแล้วเวลามีทุกข์ภัยอะไรใหญ่หลวงมาแล้วก็มันจะได้่ปล่อยวางเ้าปล่อยวางตัวเราของเราออกไปได้จะได้นิพพานไปเงียบๆนะไม่มีใครรู้ เพราะว่าไอ้เรื่องดับทุกดับวิเวรภายในจิตในใจเนี่ยมันเป็นของเฉพาะตัวแต่ถ้าใครไม่รู้แล้วนะเนี่ยมันจะต้องกระบวนการวายมันจะต้องยึดมั่นถือมั่นแล้วมันตายแล้วมันก็จะไปเกินอีกแล้วมันก็แก่เจ็บตายอีกแล้เ ก, ก็เลยก็เผาต่อไปอีกนะทีนี้นิพพานดีกว่านะดับตัวดับตนดับให้หมดให้ได้ มันไม่ใช่ตัวเราของเราย้ำอยู่แต่ไอ้ไอ้เรื่องนี้ไว้ให้ได้ให้มันย้ำอยู่ในใจไว้เนื่องนิดเดียวว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรานี่นะภาวนาอยู่อย่างนี้เที่ยวนะอย่าอ่าเอาเรื่องอื่นเลยอย่าไปนึกอยากจะได้อะไรต่ออะไรเป็นความดีความสวยความงามความสนุกสบายอะไรอยาไปนั้งข่าเดี๋ยนั่นเป็น เยื่ของมานมันมาคอยรอมึงมาคอยรอกนะเนี่พยพระจัร์หน้าอยู่กับความว่างว่างจากตัวเราว่างจากของเราอยู่เดี๋ยวนี้แล้วนี้ไอ้ไอ้ร่างกายเนี่ยมันจะแตกมันจะตายไปมันก็ดับหลับไปเออคือว่ามันจะได้พลองว่างว่างกายก็ไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่ของเราไอ้จิตที่ไปไปตามรู้ตึกนี่มันก็ ไม่ใช่เป็นตัวดำไม่ใช่ของดำแล้วทีนี้มันดับลงไปด้วยความรู้ที่ปล่อยวางอย่างนี้ได้นะเนี่ยนิพพานพระพทุทธเจ้าบอกแล้วนะว่าให้ดับตัญหาคือควารรมอยากไอ้ความอยากความหมายถึงอยากจะอยู่อยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะเต้นตะราอะไรทรายและพัดหมดเดียวไอ้ปัญหาเนี่ยเหมือนแผนน่อำนาจ ทีนี้หมดเรียนทั้งหมดนี่นะหยุดอยากหมดเลิกเลิกเลิกถอนหมดเลยพราะพุทธเจ้าบอกแล้วนะว่าดับกัญหาแล้วก็นิพพานนิพพานนะแต่นี้เราทําในใจอย่เนี้ยให้มันว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนแล้วมันก็ดับไอ้ความมีความเป็นคุณอยู่ในตัวของความว่างจากตัวตรงนี้ก็ได้แล้วมันจะไปอยากอะไรเป็นเจ้าข้าวเจ้ของอะไรทีนี้หยุดหมดเลย บอกไม่มีองไม่มีเป็นตัวเราไม่มีเป็นของรังนะตามรู้ตามเห็นตามเป็นธรนก า, ารทั้งหมดทั้งภายในยทั้งภายนอกเอาอย่างนี้ให้ได้แล้วไอ้ความวุ่นวายใสยใสอะไรความกลัวอะไรต่างๆนานาเนา น, นะเนี่ยมันจะได้ดับปหลายตัวปะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วนะไอ้ปัญหามันมาหลอก มันมากลัวใหญ่เลยนะกลัวเจ็บกลัวตายกลัวจะอะไรอะไรทรยพัฒนอย่างเหมือนยังางไอ้ที่เขากลัวๆกันเนี่ยแล้วก็กลัวมากที่สุดก็คือว่ากลัวไอ้ตะวันนี้มันมันมันจะตายนะแล้วก็กลัวว่าของไอ้ของปูหรือของตะวัเนี่ยมันมันยังจะไม่มีปแต่นี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะไม่ต้องกลัวเพราะว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลาย ท่านมีความรู้แค่นี้ที่ว่าไม่มีเป็นเจ้าเราไม่มีเฟ็นของเราแล้วอยู่กลางดินกลางทรายก็ไม่ต้องไปตัวเลยหมดเลยชีวิตของพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนะอยู่กลางดินอยู่โคนต้นไม้แล้วก็ไม่ไม่มีเอาอะไรไปตามุกสบายเลยแล้วเราต้องเอายางแล้วนะ เราจะมาขืนเอาแต่ความสุขเอาแต่ความสบายติดลสติดชาตอะไรต่างละพาต่างระาเพยนี่นะมันติดอยู่ในให้จันหาเนี่ยนะรสชาติของตันหาเนี่ยมันมาครอบงำติดไว้ทิณี้ต้องแยกออกต้องดับต้องลายหมดทีเดยอย่าไปหลงเลยอย่าไปหลงกระเด็นของมารเลยอย่าไปหลงเหยื่อของมารเลยที่มันรออยู่แอ้ด้านนี่นะตอนนี้ถ้ามันว่าง มันบอกบอ ก, กว่าว่างวางจากตัวดาวของดาวเสียแล้วมันไม่ได้ไปทุกมากนะถ้าว่าไปยึดมั่นถือมัน่นแล้วมันจะทุกมากนะทุกทั้งปัจจุบันนี่แล้วอนาคตอีกนะที่ว่ามันจะไม่ลอยขึ้นมาอย่างไรถ้าไปยึดมั่นถือมัน่นจะทุกอย่างจากน้ำตาลองหน้าทีเดียวนะไม่ใช่ของเล่นๆทีนี้เราทําในใจรู้อยู่อย่างนี้กว่าทิ้งให้เลี่ยงไปทุกขณะที่มันไปเกิ มาเป็นตัวเราของเราก็วางทิ้งไปปล่อยวางไปดักไปคอยบอกก็ตัวเองเอาไว้อย่างนี้นะเมืออย่างใคเอาความเทศพระพุทธเจา้าในใหญ่ไปแล้วกันนะอย่าไปเอาตัวตอนพระพุทธเจา้าเลยพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานแล้วแต่นี้ธรรมะเนี่ยที่เปิดเผยเอาไว้เนี่ยนะว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอ น, นาาัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราทั้งหมดนะ ทีนี้ถ้าเวลาทำในยายอยู่อย่างนี้ว่าไม่ใช่ตัวเราลูกก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนเนตตนส้นยาก็ไม่ใช่ตัวตนสังขารก็ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนนะเรารู้อยู่อย่างนี้เอาไว้เสมอนะแต่ว่าเราได้พบกพับผู้ธีจ้านะภายในจิตใจของเราเองมาบอกอย่อย่างนี้บอกไม่ให้ยึดถือนี่นะแต่นี้ ความโง่ของเราเองเนี่ยนะมันมันยังจะไปไปยึดถืออยู่เป็นตัวเราของเราอยู่ทีนี้ก็เราก็ต้องห้ามมันจ้ะเพราะว่าผลปรจามใจมันให้มันยึดถือเป็นตัวเราของเร า, เาก็เรว่ามันทุกอย่างที่แบบมันเป็นปวงเป็นใยเป็นอะไรปรุงแต่งอ่างไม่เอาบอกว่าเดี๋ยวนี้โลก ไม่กำลังคุณบุญวุ่นวายก็ช่างมันเถอะแต่ว่าเราเนี่ยต้องตามเห็นโลกโดยความเป็นของว่างตามพระพุทธเจ้านั่นนะบอกอย่างนี้เลยแม้ว่าจะมีข่าวข่าวไอ้ไอ้ความทุกข์เดือดร้อนอะไรมันจะมาก็ตามมันจะมาเฉพาะหน้าเราเดี๋ยนี้ก็ตามเราก็ทําในใจอยู่ว่าโลก ว่างว่างว่างว่างจากตัวเดาของเราว่างหม <c oughs> ายถึงแต่ว่าอะไรที่มันจะกระทบเข้ามามันจะมันจะ ก, จะ ก, กระทบเข้ามาทางตาทางหูเนี่ยนะแล้วอในใจมันก็รู้สึกว่าว่างดับดับดับไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราทั้งหมดเดี๋ยวเนี่ยให้จิตเนี่ยมันเดินอยู่กับไอ้เรื่องนี้ไว้เรื่อยน มันเห็นจริงลงไปอย่างนี้เรื่อยฟามเห็นก็เด่นอยู่ในใอยู่ในใจนนะอย่าไปเอาอะไรมาไปนังขานเชยนะรักวอกหมดเกลียวไม่มีนะมีแต่ธาตุดินน้ำลงไปที่เป็นทัวกายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยและไอ้ความรู้สึกของจิตหรือวิญญาณเนี่ยมันก็แค่รู้สึกเท่านั้นเองอย่าไปยึดถืออย่าไปยึดถือให้กายก็เป็นตัวเราอย่าไปยึดถือให้ใจก็เป็นตัวเรานะ ให้มันเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นจังอยู่ดับไปเกิดขึ้นจังอยู่ดับไปเกิดขึ้นจังอยู่ดับไปทุกข์ขณะมองอยู่อย่างนี้เถ่าว่ามองอยู่อย่างนี้ให้จริงอย่างเดียวนะควายเสี่ยงหมดเลยเนี่ยตาเห็นรูป ก, ก็วันจากตัวตนหูฟังเสียงก็วันจากตัวตน จะมือได้เรีนก็วางจากตัวตนเรีนรู้รถก็ว่างจากตัวตนกายได้สัมผัสผิวหนังก็ว่างอจากตัวตนใจที่รักทำมาลงก็วางจากตัวตนเอาย้ำอยู่อย่างนี้เรื่อยจะอยากไปต้านนะ้ำเป็นตัวขึ้นมานะ้ำทุกใหญ่เท่านะบอกให้ดูแล้วก็เพราะว่าเราได้มีการศึกษาพิจารณาตัวเองอยู่แล้วก็รักวอกได้นะ พิจารณาปล่อยวางได้แต่สาหรับคนที่ไม่รู้ก็ต้องหัดนะอย่าไปหัดเอาอะไรอย่าไปหัดยึดถืออะไรนะหัดปล่อยหัดวางอย่างเดียวเดี๋ยวนี้แล้วก็ดูเข้าไปในจิตในใจทีเดียวว่าเดี๋ยวนี้มันมีสติอยู่แล้วมันมีปัญญารู้อยู่แล้วมันพิจารนาเห็นจริงใจอยู่แล้วทีนี้ก็รักสาหลักอย่างนี้เอาไว้ และหลักหลักของความรู้กิจว่างว่างจากตัวเอาว่าง่ากของเราเอาไว้พิจารณาให้เห็นความเป็นธาตุของร่างกายทั้งหมดพิจารณาความดับไม่เหลือภายในจิตใจไว้หมดเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุด ข, ของชีวิตเพราะว่าไหนๆมันก็จะต้องเผชิญหน้าอยู่กับความทุกข์เรื่อยไปแล้วตลอดเวลาอยู่แล้วทุกข์ขนาดอยู่แล้วนะ ก็พยายามพิจารณามองให้มันทะลุไปแล้วอย่าให้มไปติดอย่าให้มันไปตันอย่าให้มันไปฝันเพ้อฝันเพลินว่าไอ้สิ่งนั้นดีสิ่งนี้ทั้งไอ้ตัวกูตัวอะไรก็หมดละยุกมันจะให้หมดทําลายมันจะหมดถ้าว่ามันก่อเกิดอะไรขึ้นมาขนาดไหนก็ดับดับบอกว่าดับจวให้ให้ให้ที่ยึดใจนะ บอกว่าดับดับดับเนี่ยไอ้ตัวภูของคูอะไรก็ดับแล้วให้จิตเนี่ยมันรู้อยู่อย่างนี้มันเห็นอยู่อย่างนี้อย่างเดียวนี่จะนิพพานทีเลยด้วยกันทีเดียวเพราะว่าไอ้ความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นโทษมากมายนะต้องสังเกตไว้ดีนะเพราะว่าไอ้ตัวสมัยก็คือยึดถือเป็นตัวภูของคูเนี่ยมันมันร้ายแท้แท้เถอะ แต้ถ้ามันพิจารณาแล้วก็ไปจริงๆแล้วมันก็รู้ได้ว่าไอ้กายเนี่มันก็ธาตุทั้งสี่ดินน้าลมไปแล้วไอ้ใจนี่ยมันก็เป็นสําหรับรู้รับรู้สึกทนั้นแล้วก็พิจารณาลงไปเห็นตามเป็นธาตุของรูปธาตุนามธาตุแล้วเนี่ยจะรู้ว่าทานตามรอยทานอาหารเนี่ยนะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งทีเดียว แม้ว่ามันจะแตกดับลายเดือนวนี้จิตเนี่ยมันจะได้นิพ v a n มันจะได้ไม่ต้องไปเกิดอีกมันจะได้ไม่ไปทุกข์อีกฮะต้องเอาถึงจุดหมายปลายทางที่ถึกแ น, น่ๆอย่าไปฝากเอาไว้ในชั้นหน้าแคนโน น, นเลยมันจะเดินช้ามันจะเสียเวลาไปเพราะงั้นรวบรัดตัดรอนทอนกําลังหมดทีเดียวเอากําลังของความรู้เข้ามาลุกอิฐว่างจากตัวตนว่างาตัวตน เอาไว้ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าใครทำได้แล้วนะหพันธิพานไม่พอยหรอกนะเพราะว่าคนราวกลัวพันธิพาแกล้าทำทามพิเรกมันก็เลยไม่รู้เรื่องว่าการเจริญมักคณีคือถิ่งสมาทิกด็ดีก็ไม่ใช่เรื่องอื่นเลยเรื่องดับทุกเท่ากับพิเรกกันหาอุปาทานทั้งหมดเนี่ย ให้รู้ความจริงในเรื่องความไม่เที่ยงเป็นลุกเป็นนัตตาอย่างเดียวกันหมดอย่าไปเทอาเท่าเป็นเป็นตัวเป็นตนนะมันจะยิ่งแย่นะลบล้างให้มันหายไปพิจนารณาสว่างไปตัวอย่างเดียวนี้วนี่อ่ะธรรมะนะเป็นแสงสว่างของชีวิตเอี่ยมนี้อย่าไปเอาอย่างอื่นเลย มันหนีความทุกข์ไม่พ้นหรอกเทามีธรรมะเปเท่านะอย่างประเกิฐอย่างนี้แล้วนะความทุกข์ไม่มีความทุกข์มันมีอยู่ที่กายนะที่ความรู้สึกไปยึดถึงเท่านั้นแต่ว่าไอ้สภาวะของจิตที่มัรู้ความจริงแล้วมันไม่ยึดมันจะเริยนทาให้มากอยู่ภายในจิตใจอยู่เป็นประจำทีเดียว ต่อไปเนี่ตากล้าหมาดเลยพยายามพิจณาใอวางให้หมดอย่าต้องไปกลัวอะไรต่ออะไรเข้ามาหลอกตัวเองนะเนี่ยถ้าว่ามีการยึดถือเป็นตัวเราของเราแล้วเนี่ยมันกลัวอย่างทีเดียแล้วกลัวไปกลัวมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะค้นทุกข์ได้เพราะความตัวมันก็ต้องตัวทุก ถ้าไอ้ทุกเนี่ยมันก็ยิ่งมากขึ้นมาอีกยิ่งท่วมทักจิตใจมากขึ้นตอนนี้เราก็ไม่กลัวไม่ต้องกลัวกลัวทำไมไอ้กลัวเนี่ยก็คือความยึดถือนั่นเองเป็นตั ว, วเราของหลังมันก็กลัวทีนี้มันไม่มีไม่มีตัวเราไม่มีของหลังความกลัวก็ไม่มีไปจลายตัวไปเนี่ยต้องฝึกนะมันมันเป็นของยากก็ต้องฝึกอยู่เรื่องนี้เอาไว้ แล้วมันจะได้ผ่อนคลายไปยึดมั่นถือมั่นอะไรที่เป็นอุปท า, านคาัาเนี่ยก็มากแล้วยังออกไปอุปท า, านอยู่ข้างนอกพิดนะไปยึดถืออะไรเนี่ยเกิดแต่เจ็บตายหมดทั้งโลกนี่นะเนี่ยต้องพิจารณามองให้เห็นนอกจากนิพพานแล้วไม่มีที่คนทุกข์รอก จะไปเกิดระหว่างั้นว้าที่ไหนอินทร์โสมเทวดาที่ไหนไม่ค้นทุเกิดขึ้เกิดแต่เจ็บตายมีเจิดหต่นาฬาทานหมดทั้งนั้นเลยทั้งในตา ม, มาพบลูกประพบลูประพบจบอยู่ในกองทุกข์เพราะงั้นมีทางทางเดียวแท้ๆ ท, ะ ท, ะ ท, ะทะีเดียวคือว่าเป็นทางที่พระอาเดียจเจ้าทางหลาย ท่านเดินไปแล้วทัานถึงที่สุดทุ ก, กันแล้วแล้วก็ธรรมะที่จะเป็นเครื่องรู้หรือให้ปฏิบัติก็ยังแปรปฎิอยู่เดี๋ยวนี้แล้วมันดีเท่าไหร่นะแล้วว่า่ตไปธรรมะที่จะมีอยู่ภายในรูปของวัตถท่ธธาตเช่นไอ้คำพีใบลานอะไรเนี่ยมันอาจจะถูกทาลายหมดนะ แต่ว่าไม่มีใครจะมาทำลายธรรมะในใจได้เลยเนี่ยขอให้เอาธรรมะเข้ามาตุ่จิตใจเสียก่อนก mm hmm. ่อนไอเหตุการณ์ภายนอกที่มันจะเกิดขึ้น mm hmm. ที่จะทำลายวัตถุอะไรต่างๆนานาให้แหลบลานไปตามเรื่องของโลกแล้วที่นี้จิต ท, ที่มีธรรมะอยู่เนี่ยมันสบาย ว่ามันไม่ต้องไปไปเป็นห่วงหน้าห่วงหลังเลยลเป็นการยึดถืออะไรต่ออะไรคำพีใบดานอะไรต่ออะไรเนี่ยหมดหมดอิทธิพลไปเลยจิตมีธรรมะอย่างเดียวเหมือนกวาดเปลี่ยงไปหมดเลยไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนการอ่านการการฟังก็เหมือนกันต้องฟังให้รู้แล้วก็ละนะ อย่าไปฟังเพิ่มเพนนะแล้วก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรมันก็โงดังด่งตาอยู่ทีนี้ฟังแล้วก็รู้นะรู้แล้วก็ละละอะไรละก็ละปัญหานั่นแหละแล้วก็ละปล่อยวางไห้ตัวเราของเราอกไปตามอย่างของพระพระท่านไม่มีสมบัติเลยนะ เพราะนั้นไอ้ความทุกข์อะไรที่เกี่ยวห่วงใ ย, ยไอ้ของกูไม่มีเลยแล้วก็ต้องสลักไปอย่างนั้นลอยวางไปอย่างนั้นเหมือนกันไม่มีเป็นตัวเราไม่มีเป็นของของเราแล้วแตะภาวะของความวา่างเกี่ยปากุศลแต่ว่ามันต้องพิจารณาจำทรากนะมันยังมองไม่ได้ง่ายๆอแต่ว่าต้องพิจารณาไว้ วันนี้ก็บอกมันจะดับมันจะแตกไปเดีนเน๋ยวนี้มันจะตายไปเดีนเน๋ยวนี้จิตเนี่ยจะต้องสอยวางหมดเนี่ไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่ของของเราเนี่ยพิจารณาให้เห็นความตายมันไม่จออยู่ที่หน้านี่นะมันไม่จออยู่ที่จมูกนี่แหละนะว่าหายใจนี่นะไม่เข้าไปแะออกก็ไม่ออกแล้วมันก็นิ่งนิ่งเหียบไปนะ แล้วก็คิดดูเลยว่าเราจะนิพพานกันดีหรือไม่เพราะไอ้ลมไอไม้ใจมันหมดไปแล้วนะไอ้ขีดเนี่ยดับสนิทไปเลยไม่ต้องไปขรวนกระวายไม่ต้องหาอะไรทั้งหมดนะนิพพานเงียบเงียบไปเลยจนะ้ะแล้วไอ้ไอ้ลมไอ้ผีไอ้ร่างกายเนี่ยมันจะถูกไปให้แรงให้ตาให้อะไรกินเผากัน ก็ตามแต่ไม่ต้องเป็นหัวเอาจิตให้หลุดก็หแลบบอนหายไปอย่างเดียวพ้นไปาจากธาตาความเกิดไม่มีําเกิดใหม่ถ้าว่ายุดถือแล้วจะเกิดอีกเกิดกทุกข์อีกอุ้นอีกเดินร้อนใจอี ก, อ ก, อกจะเปเกิดที่ไหนไม่พ้นทุกข์ไม่ว่าเทวดาอินพรที่ไหนไม่พ้นไม่พ้นทุกข์ถ้าว่ามันดับ เป็นด้วที่ต่างเดียวนะไม่มีเป็นตัวเราไม่มีเป็นของเราแล้วนะว่างว่างเ่าแล้วก็ไปจะน่าอยู่กับสิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นความบริสุทธิ์ผุดผ่องภายในสิ่งนี้ไม่มีการเกิดไม่มีการตายที่เรียกว่าเป็นนิพพานธานก็ได้แต่ว่ามันมันซ่อนอยู่ข้างในเนี่ย ต้องดูเข้าไปข้างในในจิตในใจเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวไปดูเป็นวัตถุแล้วมันไม่มีมันดูเป็นพวกไอนมามธรรมอะไรที่มันมันได้ปล่อยมันได้วางแล้วก็เห็นได้ความว่างอะไรอยู่อยู่ภายในจิตในใจนี่เองอนิพานน่ะ น, นะไม่อยู่แต่ว่าเราไปลงข้างนอกเอามาหลอกตัวเอง ในเรื่องอยากเอาอะไร่ออะไรอยากได้อะไรจ่ออะไรเป็นตัวคูของคูอะไรแต่ลพันอยยังมันก็เลยมาปิดมาบังไม่เห็นจากาวะของสิ่งนี้ที่ว่ามันบรีสุดแล้วแต่ว่ามันไม่รู้แล้วมันก็ไปเข้าหาอะไรมามาพอบคูให้มันหนาเปิดสาบ ข, ขึ้นมามันก็เลย ไม่ได้ฉายแสงไอ้อาวะดาบธาตุภายในมันฉายแสงออกมาไม่ได้แล้วมันถูกปิดนะเพราะว่าไอ้ใจเห็นรูกหูบางเสียงเนี่ยมันก็ทําปิดแต่ว่ามันเท่าติดข้างนอกแล้วไอ้ใจนี่ยมันก็ถูกกรุงแต่งโดยกิเลัจารานแล้วมันเังมีเครื่องปิดเครื่องกัน้นอะไรหมดทั้งเลี้ยก็เปรียบเหมือนอย้างเขาเจรานายแจ๊ เพาไอ้แพ็เนี่ยมันถูกหินทุ้มเขาต้องเจริญนายให้มันได้เหลี่ยมไล่ครูดีแล้วลุงแววในแพ็กมันก็ฉายแสยงออกมาทีนี้ไอ้จิตเนี่ยมันมีกิเลสกันหาวุตทานขอหุ้มอยู่เราก็ต้องมันพิจารณารักวอกเข้าไปทําลายกิเลสกันหาวุตทา น, า, านให้เกิดอว่างวาง่างไปแล้วไอ้ลุงแววของจิตจะฉายออกมาให้เห็น คือว่ามันเป็นความสงบเป็นความว่างเป็นควารรมผ่องใสอะไรแบบนี้นะเนี่ยต้องใพยายามให้ให้มากทีเดือนในเรื่องนี้นะแล้วจะจะเห็นคุณค่าของธรรมะว่าธรรมะเนี่ยจะเกิดอย่างนี้เองเพราะว่ามันไม่ได้ต้องทําอะไรมากเลยเนี่ยจะยืนเดินนั่งนอนก็เฝ้าดูอยู่เนี่ยเหมือนยาดา ลาวภคะใจใจของเราเองเนี่ยนะระที่ไม่มีกิเลสไม่มีการยึดถือว่าเป็นตัวราของเราเนี่ยถูกมองอยู่เรื่อยจนเหมือนกับเรานั่งกล้าวอยู่กดก็ได้นะหรือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้มาประทับหนูภายในจิตก็ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็คือผู้รู้นะตอนี้ไอ้ในจิตของเราเองก็ไม่ผู้รู้ผู้รู้ที่จะมุดว่า เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นพระธรรมเจ้าก็ได้เป็นพระสังฆเจ้าก็ได้ฮะเนี่ยความอัจฉรยิยะจริงของธรรมที่เป็นอามตะธาตุมันมีอยู่ภายในแท้ๆทีเดียวแล้ก็พยายามมองกันให้ครบเท่านั้นนะแล้วก็เนี่ยมันไม่ต้องไปแสวงหาที่พึ่งอะไรที่ไหนเลยนะถ้าวามพบเข้ากับที่พึ่ง อย่างนี้อย่างเดียวแล้วนะไม่มีใครเกิดไม่มีใครแก่ไม่มีใครเจ็บไม่มีสครตายเลยเป็นอรรมชาติท่านรู้สีไม่รู้จักรา้ไม่มีการเกิดไม่มีการตายนะแล้วยังนี้มันจะ น, น่าค้นพบไหมล่ะรู้ว่าอยากเกิด อ, อยากตายนะมันคอยมาคอยจ้องอยู่เท่านั้นแ่ะจะทําบุญให้ทานก็คอยจ้องก็ได้ไปรับข้างหน้าสบุน อ, อยู่ข้างหน้าสวัรดิ์อยู่ข้างหน้า ในโลกหมกไหมอยู่ในจินในใจเนี่ม่รู้สึกเจาอ้เลยลอยอยู่เลือดมาวุนอยู่เลือดบาดก็ตามเผาใจอยู่เลือดเป็พาตุันหายอยู่เลือดแล้วอย่างเรี้ยมันจะไปพบไอะไรไอ้ของดีที่ดุนะไอ้ที่ไม่ตจองไม่อะไรมันว่างไปทั้งหมดน่ะแล้วไม่นจะไปพบอะไมันคอยแต่จะไปยึดถืออมาพอะ ก็ม่หลอกตัวเองกลัวจะไม่ได้กลัวจะไม่ได้อะไรอะไรได้ยางไว่านั้นแล้วนี่มันยิ่งจะเป็นสัตว์เดรัจานะครบิอนะระวังให้ดีว ย, วายาด้บุญมากๆนั่ น, ง น, นงโงโ่เงล้าไปเสพในิตในใจนะให้มันดกให้ความอยากไ้บุญซะและและไอ้บามันก็คู่อยู่ไ้บุญในเองแต่ว่าไอ้บุญเนี่ย มันยังเป็นเครื่องทำให้จิตกูและไอ้บาศมาทำให้จิตแย่มันก็เริ่มจะไปของเศ้าหมองอย่างเดียวกันแต่นี้ทำอะไรก็ให้มันว่างจากตัวกูของกูตัวดาวของดาวเดียรแล้วมันจะด้อมมักผลนิพพานขึ้นมาอย่าไปเอาเลยไอ้บุลนั่นแหละมันจะพาไปไปไปตกนรกเอง แต่นี้นิพพานเนี่ยต้องอยู่นี่ที่จิตว่าให้นะจนิตสงบบดิสุทธิ์นี่อย่าไปายากได้อะไรให้มันมุ่นขึ้นมาเลยเนี่ยอายาได้วยบุญเนี่ยเป็นตัวจันท่าเพราะว่าจะหมดปวดเมื่อยวางออกไปนะว่าจะละเหมือนยังไปเอาให้ทานเราก็จะละออกไปไม่ใช่ของเราจะละให้ไปเป็นประโยชน์แบบผู้อื่นเท่านั้น ไม่ต้องไปโรคอย่างได้ของตอบแทนอยู่ข้างหน้าเสียงก็ไปโลคอย่างได้ตะวันไม่มาอะไรเนี่ยมันหลอกตัวเองมันลงนี่ยทีนี้มันต้องคัาญอยาเนี้อ่ะความอยไอตัวตรงกับตัวลงเนี่ยให้มันรู้จำพิจารณาให้มันรู้ให้มันรู้แล้วให้มันล่อยมันวางแล้วทำได้จิตที่ว่ามันได้ถูกใจอยไกใจรไ ด, ได้ไม่ได้อะไรได้จิตว่า จิกสงบจิีบริสุทธิ์ขึ้นมาแทนอย่างนี้จหามันถึงจะถูกต้องตามธรรมวินัยของพระพุทธเย้าแล้วถก็อันี่ยังยังโลภนะทำทำบุญทำทานก็โลภอยากได้อยากได้บุญอยากอะไรอยู่ข้างหน้าทางนั้นนะแล้วเนี่ยมันทําไปตามไอ้อนาคของกันหาคือว่ากันหาเนี่ยมันมาจากวิชาคือความไม่รู้ แทีนี้มันทําด้วยความไม่รู้มันก็หลงหลงทําไปหลงอยากไปหลงอยากเกิดใหม่ไปจะเอาดีเอาเด่นอะไรที่ไหนไม่รู้อะแล้วไอ้ไอจีเรนเนี่ยมันเผาใจายอยู่คงคงนี่ก็ไม่เคยเจียนาให้รู้ว่าไอ้เรื่องปฏิบัติเรื่องเศษสมาธิปัญญามันเรื่องแบบกีเรนกันหาวิปทานอยู่ที่นี่อยู่ที่จิตนี่อย่าไปเที่ยวเพ้อเอาอะไรข้างหน้าเลย มันทุกอยกังนั่นแหละแต่เนี้มันอยู่ที่หยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดก็ดทำบาปอยากชาหยุดไม่ยึดถื อ, อยหยุดไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยมันดับทุกดับเปล่ยนอยู่จะพอ น, น่าจะพอ น, น่าทุกทุกขนาดไปหมดแต่อย่าอย่าไปเทายึดถือก็แล้วกันลองดูกั น, กกนสิลองพิจารณากันดูสิให้ให้มารูกก้ซะ ถ้ไม่ั้นเนะ่ยจะไปฝุดบ่ออาหนะ้าเมื่อเวลาใส่ไมนะ่มันไม่พันหรอกเพราะว่าทุกอะไรมาเดือดเร้อนใจอย่างแช่นโวยวายไปกระพุ้นบางจไปนั่นแหละมั น, มนจะยิ่งเกิดกรกใหญ่ยิ่งร้อนใหญ่พราะก็เดี๋ยวนี้นะเนี่ยทำซะรู้ซะเปิดเบื้องเปิดวางซะพิจารณาให้เห็นจริงเห็นแก่ที่มันซะ ม, มันยังมีโอกาสอยู่ด้วนะก็ให้รีบทาําซะนะอย่าไปมาด น, นะ เนี่ยถ้าว่าเป็นคามรู้สึกด้วยใจจริงแล้วนะทุกๆขณะเนี่ยจะต้องอบรมบ่มสติปัญญาพิจารณาปล่อยวางเนี่ยรู้จิตในจิตเข้าไปไม่เอาเรื่องอะไรแล้วจัดรอนหมดทีเดียวให้มันเป็นจิตเดียวกายเดียวแล้วก็ปล่อยวางทั้งหมดไม่มีอะไรเนี่ยคาผู้ปฏิบัต ฟังถูกนะความถูกในขณะนี้นะบทไปกันเนี่ยฟางให้ถูกฟางให้รู้ฟางให้เข้าใจแล้วอย่าได้มีการคิจารณาอยู่ตลอดเวลาทุกปิยาบทอย่าไปเอาเรื่องราวนะเรื่องราวดีทัว่วตัวจนบุญบาปอะไรเนี่ยมันจะเพอ ม, มันจะฝันเพอฝันเพินพไปมันต้องรู้อยู่อย่างนี้นอยู่อย่างนี้ตามว่างจากตัวจน อย่างนี้อาจารย์ห น, หน่าอยู่กับความว่างความวา่วาปล่อยวางปล่อย ว, วางปล่อย ว, วางนะให้ความรู้แจ่มแจ้งไปจกักชัดอยู่ให้ได้ทุกๆุกขณะเถิดธรรมปรญญาตอนหนึ่งของท่านกเขาสุนหลวงเราว่าไปท้องไปอยู่ทุกวันทุกวันเนี่กําลังของปฏิปัญญามันจะได้ เพิ่มขึ้นมันจะได้รากำลังของให้ทันหาหรือพิเรให้ออกกำลังมกวไปให้ได้และนี่เราประจนบัดปัรยานางกับไอ้่าสุภายในนะเขาจะว่ามันมันเป็นของยากอือยิงอย่ ง, ก, องอ ก, กว่าค่าสึกภายนอกเรือว่าในการกล้อมรบอยู่ในกิจในใจนี่ที่ว่าต้องทำทุกทีอย่าง ยืนเดินนันนน่งนอนควบคุมอยู่เนี่ยแล้วเนี่ยมันมันละเอียดว่าไอ้ไอ้ข้างนอกนะข้างนอกเขาจะจอมก็ยังไงเขายะตอบเป็ยังไงเขาก็ไปกันกันได้ น, นะแต่ว่าไอ้จอมข้างในเนี่ยมันมันดีท้ๆทีเดียวมันได้ส่วนได้ตอบอยู่อยู่ข้างในเรื่อยก็ให้มันกล้ารู้ว่ากล้าตายตายเป็นตาย แต่ว่ามันมันกล้าตายมันกล้าทิ้งนะมันกล้าปลอยกล้าวางเพราะมันไม่เห็นว่ามันเป็นชาวราของเราแล้วนะมันกล้าถ้าว่าเราฝึกหัดพิจารณาให้จิตใจเนี่ยมันมีกติปัญญากล้าหาญขึ้นมาอาจจะทําให้ติตเนี่ยมันมีความหลุดออกมาเป็นอิสระได้ หรือว่ายัางไม่เป็นอิสระได้มันก็ต้องพยายามพิจารณาปล่อยวางเ ร, เรื่อยๆไปจะปล่อยได้บ้างไม่ได้บ้างก็ต้องฝึก ม, มันอยู่ดีนะถือว่ามันจะปล่อยได้น้อยมันยังยึดถืออยู่มากก็จะต้องพยายามอยู่นั่นเพราะว่าไม่พยายามอย่างนี้แล้วมันไม่พ้นทุกข์มันบังคับอยู่ในตัวอย่างนี้ด้วยเราย่าเคยทอ่อนแอม่ได้ แล้วมันควรจะได้ดขาดอะายก็ได้ขดขาดประมาณแต่ว่าแล้วไอ้คนยาถอนผ่านยังไงก็ก็ได้แต่ว่าไอ้การถอนผ่านเนี่ยก็ต้องดูการสมควรเหมือนกันแต่ว่าไอ้การที่เราจะค้นว้าที่จะทําทลายก็ไปในส่วนลึกมันต้องเปลี่ยนและเปลี่ยนดิบไม่ใช่ของง่าย แต่ว่าถ้าว่าเพียนให้มันได้ง่ายที่จะปล่อยวางกันได้จริงๆแล้วนะ ม, นมันพิเศษจนไม่รู้ว่าจะพูดออกมาเป็นทางพูดได้อย่างไรเลยไปเรื่องจิตเนี่ยที่มันปล่อยวางออกไปได้เนี่ยนะมันเป็นอิสระขึ้นมาได้เนี่ยนะไม่รู้จะพูดยังไงถูกแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของตัวเองด้วยกันทั้งหมด เรามือทางหลุดรอดที่จิตนะไอ้ชวนกายเนี่ยไม่ไม่ได้ครับมันเพิ่งพาอะไรก็มันทั่วคราวนะวันเดียวมันเก็บขึ้นั่นมันปวดที่นี่อะไรตายแล้วพัดอย่างแต่ว่าไอ้จิตเนี่ยต้องเอาให้ได้ต้อง น, นิพพานนิพพานที่จิตเรียกกระพารนิพพา น, น, พานท่านบอกไอ้กายเนี่ยท่านท่านไม่ได้นั่นอะไรเลยนะทิ่งแล้วนิพพานที่จิต ดับกัญหาระละกันห า, นะลนหาแล้วก็บอกไปแลว่าไม่กำหนัดในานามในรูปแล้วก็จะไม่มีการเกิ ด, ดอีดต่อไปเนี่ยมันน่าปฏิบัติอย่างนี้นะเพราะว่าไอ้เกิดใหม่เนี่ยมันทุกทุกทีมันเกิดเป็นตัวราวของราวขึ้นมาขนาดไหนก็ทุกข์ทั้งนั้นแต่นี้ว่างบอกมันว่างนะบอกกับมัน อย่างนี้ก็ได้หมดอย่างกาเราพูดกันอย่างนี้ก็ได้ก็บอกกับตัวเองอย่างเนี้ยเพราะว่าไอ้ตัวเองเนี่ยมันบอกมันบอกว่าเป็นตัวเราของเรามามาเรื่อยเรื่อไม่ว่าอะไรมันออกรักหมดนะทีนี้บอกกับมันว่ามันไม่มีมันว่างเป็นธาตุลูกก็เป็นธาตุน้ำก็มาธาตุก็เป็นของก็เกิดดัดไม่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราต้องบอกกลับกับมัน เพราะว่าไอาา้อาจารเดิมมันบอกมันอยู่นี้เรื่อยไแล้วเราก็ก ล, กลับมันกลับสัญญาผมว่าไอ้สัญญาไอ้คณะสัญญาคือว่าความจำหมายเป็นตัวเป็นตนมันไม่อยู่ทุกขณะก็ว่าได้แล้วทะนี้ให้อนาจะสัญญาหรืออนิจจสัญญาก็ได้หรืออสุภสัญญาก็ได้ตอนนี้เอาใช้สัญญาเนี่ยมาดับไอ้สัญญาที่มันเป็นการยึดมั่นถือมั่นเนี่ย เราก็แก้กันได้ดับกันได้เพราะงั้นจะต้องพยายามให้ให้ดีนะอดทนต่อสู้ให้ได้ทีเดียวไม่ได้ขัน้นอาจจะเสีน้อยไปก่อนก็ยังได้ตอนนี้ก็จะถึงเวลาที่จะรวบรวมเอากระติพวกคุมที่จะมีการพิจยรนาประกอบมาไว้ด้วยแล้วก็ยืนหลักกระติให้มัน่น คือว่าตั้งกายตรงดำรงปกติให้มั่นเอาให้มั่นไว้ก่อนจะรู้จิตจะในจิตหรือจะรู้ลมก็ได้ควกคู่ก็นได้แต่ว่าการรู้ลมหายใจเนี่ยต้องรู้ให้เหมาะสมมะคือว่าลมหายใจเนี่ยจะต้องหายใจเป็นปกติไม่ให้ไปเกินไม่ให้ไปอั้นอะไรทั้งหมดนะหายใจเข้าหายใจออกให้โปร่งไปตามระบายนะ ให้ลมมันเข้าออกเป็นปกติแล้วต้องสังเกตเมือนกันนะว่าเท่าลมหายใจเนี่ยมันละเอียดมันปกติแล้วจิตนี่เริ่มสงบแล้วเท่าลมหายใจอย่างแรงอย่างอยากอะไรนี้ก็เรียกว่ากจิตน่ายังไม่น่าเลยจิตนี่ยังไม่สงบแต่รู้ว่าเท่าลมหายใจเนี่ยมันเดินปกติของมันนะเดินเบาเข้าเบาเข้าเท่าไหร่แล้วก็จิตนี่เริ่มเริ่มสงบแล้ว แล้วถ้าเราจะให้ใหายใจแรงถอนให้ใจแรงก็ได้เพื่อไม่ให้มันมันละเอียดเกินไปก็ได้แต่ว่าเท่าละเอียดแล้วก็ควรจะพยายามที่จะหารู้กิจเข้าไปทีเดียวแล้วก็อบรมหายใจก็ได้แล้วมันให้มันโปร่งหมดนะอย่าไปอัน้นมันโปร่งหายใจก็โปร่งแล้วกิจนี้ก็โปร่งเรียกว่ามัน เป็นคอยตามธรรมชาติไนดะ้แปลว่าถ้าว่ามันมีทุกข์อะไรเกิดขึ้นอย่างไรเราก็ปล่อยวางมาพิจารณาปล่อยวางให้มันเป็นทุกข์ของกายและวไอ้จิจนี่ต้องยืนหลักปกติเอาไว้วางเฉยเอาไว้ให้ได้จะดับดับกัญหาขันติดตรงจิตที่อยากอย่าให้มันเสียหลักปกติก็เอาละเป็นเวลาที่ใยนะั่ง รวบรวมส ต, ติเข้ามารู้ลมรู้จิดให้ติดต่อให้ได้ทุกๆขณะเ่ยสำหรับว่าการนั่งตะมงนี้นะตามพิราวนามาก็นับว่ามีประโยชน์มากเพราะว่า มันได้ดูของจริงที่มันมีอยู่ข้างนในในกายในใจมันจะเปลี่ยนแปลงเกิดดับอะไรก็รู้นี่ทำไม่ได้อบรมอย่างนี้นะมันก็อยู่กับไอ้เรือนร่างของไอ้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์อะไรอยู่ในตัวนี่ก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ด่างไอ้ที่รู้เนี่ยมันเป็นการมีประโยชน์ มากมายเพราะว่าจะเดินสิก ภ, ภาวนาเนี่ยมีอนิสงส์ใหญ่แล้วก็จะทำให้เกิดสติปัญญารู้ความจริงอะไรขึ้นมาได้ดังนี้ว่าไอ้เรื่องของกิเลสเ น, น่มันก็ต้องมีรือนิวร อ, อะไรที่มันมีแล้วก็ได้พยายามที่เรา จัเพียนเพืพิจาร나อย่างไง ร, รู้ว่าไอ้หลักของกติเนี่ยที่ปึกอยูนะ่มันยังไม่มั่นคงอย่างไรแต่ว่ามันจะเสียหลักไปบ้างมันก็ยังเป็นการรู้ว่าจะต้องเอากันใหม่จะต้องรู้กันใหม่รล่เรื่องตน้นที่หลักของกติเนี่ยยังไม่ มั่นคงนะมันก็ต้องมีอะไรแทรกแรงเป็นความง่วกความฟุ้งซ่านหรือความรับอารมณ์อะไรบ้างนี่มันก็จะต้องอ่านกันได้หลายอย่างรายการเล่านานีาน่มันก็มีประโยชน์เรื่งการอาการอยู่ดอยู่มากครับเพราะว่าจะไม่พูดไม่บอกอะไรเึ้นมาบ้างเงียบหมดแล้วนะเนี่ย มันก็ไม่ค่จะรู้เรื่องรู้ดาวได้อันนี้คนนี้รู้อย่างนี้ก็พูดไปตามาความจริงของตัวว่ารู้อย่างนี้คนนั้นรู้อย่างโน้นมันก็รู้มัน ก, นก็ก็เรียกว่ารู้ความจริงในในตัวเองเหมือนกันว่นจะรู้อย่างไหนก็ได้แต่ว่าให้มันรู้เถะหรว่ามันจะจับไอ้หลักอะไรที่ยังไม่มั่นคง แต่มันก็ยังคลายจากความหลงได้เ mm hmm. นี่ยไอ้ไอที่หลงรู้เนี่ยนะอ้ที่รู้ออกหลังรอกเ mm hmm. นี่ยมันมันอดกลับมันรู้ข้างในได้แล้วเนี่ยมันก็มี mm hmm. รประโยชน์ดยเฉพาะนิวรณ์มาแฝงไหนเกิดมันก็มันก็ยังรู้จักกลัวหรือว่ารู้จักที่จะหาวิธีการอะไรที่จะเป็นเครื่องทำํำลายนิวรณ์ เนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรได้ยางนะจะว่าไอ mm ้ฝ hmm. mm ึก hmm. ข mm ้างนอกอฝึก hmm. ข mm ้างในข้างหนมันก็ดีกันวิธีไหไงืีเขาฝึกที่จะทำรายต่อะไรสงนอกนะแต่ใหไอ้ฝึกนี่ยมาดูขมาในกายในจิตพิจารณาอะไรเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายน้ไองาชมงนี้นะ แล้วถ้าว่าไม่นั่งดูวันจริงๆเนี่ยมันค่อยเปลี่ยนนะมันไม่อดทนมันไม่ทนดูทนรู้ไงตัวนี้ไอ้ไอ้นั่งเนี่ยมันได้ทนดูทนรู้นะไอ้ทุกข์อะไรมันทุกข์ปหรือว่าถ้าว่ามันมันง่วงมันก็จะได้หาวิธีการอะไรที่อจะ่าทําลายไอ้ตัวทีน้ำมิทาอะไร ไม่ว่าอะไรมันจะมามันมันจะได้ลืมการดูมันจะได้แกไ้ไขใช่ไหมถ้าไม่ได้นั่งดูนั่งรู้กับมันให้มันตลอดชั่วโมงเนาะมันก็ผ่อนตามพ่อนตามาอิจฉาเนี่ยเพราะว่าฌนธรรมดาเราเปลี่ยนิยาหมดเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะอิจฉาเนี่ยมากนั่งนานมันจะให้ลุกขึ้นหรือไม่ก็อ น, นอน อะไรเนี่ยมันเปลี่ยนไปกั ไ, ไอ้ไอ้ธนามากมายนะทีนี้มาฝึกมือตรีในการนั่งการนอนการยืนการเดินแล้วเนี่ยมันดับปัญหาได้มากเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่หมดปไป ง, ไ ง, ไ ง, ไง่ายๆแล้วเพราะว่าไอ้ธนาเนี่ยมันเป็นของชูรถมากทีเดียวถ้าเอาธนาออกตัวอย่างเดียวเราก็ไม่มีเรื่องเลยเนยเพราะว่าไอ้ธนานี่เอ มันทําวุ่นมันทำวิ่งแล้วมันก็อยากอะไรต่ออะไรไปต่อแล้วพลดอย่างเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเอเ อ, เอในช่างคือณหาเนี่นะบอกว่าหักแล้วอเอเ อ, เอโครงเดือนก็หักแล้วก็ยอดเลืองก็รือเนี่ยไม่มีความสําคัญอยู่ที่การหาทังนั้นอยู่ที่รูปนามขันธหน้านี่ ที่มันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้านะบอกพูดเป็นภาษาภาษาชาวบ้านนะบอก็นี่แน่ในช่างนะแล้วก็ใครยบาังออกมไม่ได้พูดเป็นภาษาเา้าภาษานายอะไรเลยหรือว่าภาษาอะไรที่มันไม่ได้ตรงกับความจริงแล้วก็เราจับตัว ใ, ในช่างไม่ได้คนระับนั่นนะ ภพชาติมันจะได้น้อยไปหรือบางทีมันอาจจะเลิกไปเลยก็ได้เอาไม่สร้างภพสร้างชาติสรางชาติความเกิดขึ้นมาอีกแต่มันทุกแต่มันเกิดมาเกิดทุกอยู่ทุกขนาดนี้่มันกัดไม่จะตายแล้วเกิดใหม่ไปไปอย่างเดียวเนี่มันเกิดทีย็บตัวเนี่ยเป็นตัวเราของเราอะไรต่อะไรเนี่ยมันเกิดอยู่เนี่ยมันเกิดกิเลสมันเกิดทั้งหลาย ตอนนี้ได้ตรวจได้สอบได้รอบได้รู้อะไรมันจะได้ทำรายไอ้ไอ้นี่อะเจรโรคเนี่ยนะนันมีประโยชน์มากทีเดียวพูดตามภาษาใจไม่จไปพูดภาษาอื่นหรอกพูดภาษาอื่นนะมันมันไม่จริงอ่ะมันพูดไปประจานภาษาโ ง, ง่แต่ว่าพูดภาษาใจมันพูดภาษาแย่ ที่ใดหรือทุกอะไรมันมีขึ้นยังไงมันได้ตรวจได้สอบนี่นะเนี่ยมันมีประโยชน์มากทีเดียวและไอ้ที่มันยังนิวรมันงเข้าครอบงานได้ซึ่งควาความง่วงก็ดีหรือความวุ้งซ้านก็ได้เนี่ยมันต้องรู้ของตัวนะว่าไอ้หลกของกติเริ่มนั่นทีแรกจะต้องทําจะต้องรู้อนะไรให้มันคง แล้วตลอดเที่ยงโมงเนี่ยง่วงมันจะไม่มีตอนนี้ไอท้ที่มีอยู่เนี่ยมันต้องมันต้องรู้นะว่าหลักของการกำหนดมันมันแน่วอยู่กับลมหรือมันแน่วอยู่กับกิจอะไรเนี่ยหรือมันมีการเพ่งพิจารณาอะไตลอดหลักปกตินเนี่ยต้องยืนหลักไว้ให้ได้วางเฉยไว้ให้ได้แล้วก็พิจารณา แต่ว่าเป็นการฝึกด้วยนะกานิวร์เนี่ยตลอดเที่ยงโมงยังไม่มีลเลยเพราว่าต้องเป็นการรู้แยกขายอะไรของตัวนะระยะท่อนั่งไปเพลินแล้วก็ไปเข้าคิดเข้านึกอะไรขึ้นมามันมันมันไม่ได้ทั้งนั้นนะ่ะการนิวร์ไม่ได้แต่ย่าการนิวร์ได้นะ หลักของพระเต๋นีต้องมันคงคำนดกิดก็กิดอยู่แนวก็ลมก็ลมแนวไม่ไม่ไปเอาอื่นนะมันอมมีคําพูดอะไรอ่ะเป็นการเพ่งดูไปเฉยๆดูไปเฉยๆหรือว่าประทุกก็อดทนประทุกพิจนาทุกก็ให้มันได้ง่อะไรที่ว่าตลอดชจ่าโมงเนี่ยจะต้องรู้นะว่าไอ้ทุกก็ เป็นยังไงหรือว่าไอ้ความเกิดดาเปลี่ยนแปลงมันเป็นยังไงต้องดูกับมันให้ตลอดสายปัจจเนี่ยต้องต้องพยายามอบรมทำให้มากให้เจริญอยู่เรื่อยทุกอย่างในการตรวจอบรู้ความหมุกร่องของตัวเนี่ยมีประโยชน์มากทำไมง่ายแล้วมันเข้ากับตัวนะ รันว่ากองเราพอดีแล้วยังไงรู้ว่าไอ้นี่มันก็นิดหน่อยมันเป็นอะไรไปมันคอยข้าวกระตัวมันคอยเปลอกตัวเองให้ให้หลงเพิ่มเสือตอนนี้ไอ้ที่มันนิดหน่อยก็ไม่ได้นะมันเหมือนอย่งไอ้คนที่เขารักษาความสะอาดเป็งกับภาพขาวเนี่ยจะไปเพื่อนอะไรนิดหน่อยเรยบร้อกเจบอกก็มันเพื่อน แห่เดียวเท่านี้ยังเอาไว้มันหลายไ้แห่งแล้ถึงจะบอกมันกนัน่ะมันยิ่งจะเพิ่มเพิ่มเชื้อแล้วก็มีความประมาณทตอนนี้ว่ามันเปื้อนอะไรมันเดี๋ยวนี้อ่ะยึดถืออะไรขึ้นมาอย่นี้จะต้องปล่อยจะต้องดับจะต้องรู้ทุกขนาะทุกขนาะจิตเนี่ยกวาดอยู่เรื่อยซะแล้วตอนนี้มันมันไม่ไปไหนแร้ว เอาครวจอยู่นะมันรู้ปลายดับปลายปล่อยไปทีเดียวนะแล้วถ้าว่าไม่รู้ให้ทียึบเข้ามาอยู่ในในข้างในนี่นะนะเอินไปเผลอปเนี่ยเข้าลงลงแล้วไอ้ความตรงความคิดอะไรใดมันก็มันก็เข้ามันคล่องาำง่ายเพราะว่ามันหลมันหลงจมหลงคิดหลงอะไรใดก็พลาดหลง อันนี้จะจับไอ้ลงได้เพราะว่าไอ้กะทินี่เองมันคงอยู่ที่ศิดเนี่ยคอยรอบรู้อยู่ทุกขนาดไปเธอเนี่ย น, น, น้อยแต่ต้องน้อยลงได้แต่ว่าทำให้อายถูกวิธีแล้นะเรื่องก่อปฏิบัติมันไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าต้องยืนหลักให้ได้รู้ให้ได้ไว้แต่กัะพริบตา ที่ร่างสมองแล้วก็พิบต่านะมั้ยไม่ให้ให้ความรู้เพลิดปัจเจกเพลางมั้ยเพราะเนี่ยมันมันต้องมันต้องสังเกตของตัวเองมันต้องฝึกของตัวเองนะราะว่าลมลอยทางตั้ ง, ง, ง, ง, งร้อยอุ่นแล้วก็ถุกแท้คือว่าย่าทำอย่างรูปแบบที่มันไม่รู้แล้วมันง่วงอะไรอะไรบ่อยๆนี้ไม่ได้มันจะต้องแท้หายตัวเอง ทำไมงั ẻ, né, ền, fendim, u, ủ, ้นไม่แก้ไขเงี้ยมันก็มาอยู่อย่างเงี้ยมันก็ดังแบบงงบังอะไรบ้างเคยตัวอันนี้ต้องเอาเอาจริงเปลี่ยนจริงแล้วว่าให้ถูกนะไอ้เปลี่ยนจริงก็ต้องให้ถูกทาไมถูกแล้วมันก็มันรู้ไม่ได้เหมือนกันมันขี้เกียจทั้งนี้มัชอบรู้หลายอย่างเพื่อไปรู้อย่างน้อยเพืะอมารู้อย่างนี้มันไม่ได้ยืนหลักรูกตรีได้ แล้วมันก็ไปอย่างไง้ไปแบบนั้นแต่ว่าโยนหลักให้ใหได้แต่อย่างเดียวน่ะมีวอเนี่ยข้ามไปแล้ไม่ว่าพษาอะไราภายในของที่มีเนี่ยมันก็ไม่ไปเพราะะมันต้องสังเกตมันต้องกรอบครอบอะไรของตัวเอ ง, าองเยาการอบรมมันจะมันจะดีขึ้น เพมันมันจะรู้อะไรของตัวเองมากขึ้นแล้วแต่ชั่วโมงเนี่มันก็นิดเดียวนะแล้วมาถ่ายมาง่วงแล้วมันจะมาเดียวมันต้องนั่งให้มันรู้ทีเดียวว่าไอ้รากของสติเริ่มต้นยังไงเราก็จ้างกายตจงดํารงสติมั่นว่ามันไม่แย่ปัญหาของตัวเองไป ไปไเธ่ปล่อยปล่อยเผลอเผลอเปิดอเปลือกไปเนี่ยจะดูอะไ ร, ระ ม, ไมันรู้มันน่ามันรู้ดี่รอมไม่ทำมื้คำพูดแยังคิดนะนานนั่นแหะมันถึงยามันมันมันถึงจะติดต่อได้มไม่ทำจริงมันมันจะไปมันคงได้นะ แต่ว่ารู้โทษโทษอะไรก็ต้องรู้จริงนถ้ารู้จริงแล้วมันทำจริงได้แต่ถ้ารู้ไม่จริงแล้วมันทําไม่จริงมันโรยเลยไปไงมันมันทะเลเท่าไหร่แล้วเนี่ยข้อปฏิบัตินะที่ได้อบรมมามันมันก็พออยู่แล้วที่นี่แต่ว่าหลักของกติกนั้นมันยังไม่มัน ก็ควรจะพยายามว่าไอ้นางชจงโงเนี่ยอย่าให้มันโง่อย่าให้มันน่วงต่อไปนี่ฮนะเนี่ยฝึกไว้ทุกคืนทุกวันทุกคืนทุกวัน